แม้อารมณ์แห่งยานก็ชื่อว่าทางแห่งยานอารมณ์แห่งยานคืออะไรก็คือขันอายตนาธาตุสัจจะเป็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าอารมณ์ของยานเพราะฉะนั้นอารมณ์ของยานก็ชื่อว่าทางแห่งยานแม้ธรรมทั้งหลายอันเกิด ร, ร่วมกับยานก็ชื่อว่าทางแห่งยานเช่นสติฮิริโอตะปะเป็นต้นเนี่ยก็เป็นสิส่งที่เกิดร่วมกับยานอันนั้นกะ็จึงชื่อว่าเป็นทางแห่งยานคําว่าสิกขาสิกขาเนี่ยนะก็คือพึง สิกขามีสมอย่างนะครอธิศีลสิกขาหนึ่งอธิจิตตสิกขาหนึ่งอธิปัญญาสิกขาหนึ่งเพราะนั้นก็ว่าพึงสิกขาสามเนี่ยนะในเพื่อทางแห่งยานเพราะั้นถ้าเจริญไตรสิกขานี่แหละการเจริญไตรสิกขานี่แหละเป็นทางแห่งปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะมรรคปัญญา <c oughs> ถามว่าอาธิศีลสิกขาเป็นไงนะพิกษุนายธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีลสัมรวมและด้วยความสัมรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีลขันน้อยศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นบาศเป็นความสัมรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี้ชื่อว่าอาธิศีลแสิกขาก็คือเจตุปาริสุทธิศีลนั่นเองนั่นแหละเป็น อธิศีลสิกขาส่วนอธิจิตศิกขาก็คือปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านเจตุทะฌานเนี่ยนะฌานสี่นั่นแหละเป็นอธิจิตศิกขาส่วนอธิจิตสิขานาีา่เอ่ยข้อไปอธิปัญญาศิกขาเนี่ยเป็นไงพี่สุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิดและความดับอันเป็นอริยะคําว่าเกิดก็คือรู้ความเกิดความดับแห่งขันห้านะขันห้าจะเกิดโดยอาการ 25ดับโดยอาการ25่สิ้าั้นความเกิดและความดับของขันห้าก็โดยอาการ50เพราะฉะนั้นไอร้การรู้ความเกิดความดับนี่แหละเป็นอารยะชั้แรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่ารู้ความเกิดความดับเนี่ยนะเกิดโดยอาการ25ความดับโดยอาการ25ทั้งความเกิดความดับโดยอาการ50หวังได้ว่าเขาจะแทงตลอดวันนี้แทงตลอดตามความเป็นจริงวันนี้ทุก นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะแล้วก็รู้ชติตามความเป็นจริงว่านี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะทนผู้ที่มีปัญญารู้ความเกิดความดับรู้อริยสัจแล้วก็มีญาณรู้ถึงกิเลส ด, ดังที่กล่าวไปชื่อว่าอาทิปัญญาสิกขา นั้นคําว่าผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานคือทางแห่งปัญญานี่ความว่าบุคคลผู้มีความสงสัยเคลือบแคลงลังเลเป็นสองทางไม่แน่ใจพึงศึกษาที่ศีลบ้างศึกษาที่จิตศึกษาที่ปัญญาเพื่อบรรลุญาณเพื่อความถูกต้องยานเพื่อทําให้แจ้งยานเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อนึกถึงสิกขาสามก็ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้อันรู้สิกขาสามก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อเห็นสิกขาสามก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อพิจารณาสิกขาสามก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อที่ฐานจิตก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อตั้งสติเมื่อตั้งจิตเมื่อรู้ชัดก็ชื่อว่าสิกขาเนี่ยนะฮั่นการอบรมอินรี่ห้าก็ชื่อว่าสิกขา เมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้เมื่อละธทำที่ควรละเมื่อเจริญทำที่ควรเจริญเมื่อทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งก็พึงศึกษาเพราะฉะนั้นประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติเนี่ยนะในสิกขาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลผู้มีความสงสยัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณเนี่นะถ้าสิกขาอย่างนี้แหละเป็นแนวทางเพื่อจะให้เกิดอริยะญาณเป็นต้นเนี่ยนะ คำว่าทำเหล่าใดอันพระสมณะทราบแล้วตรัสแล้วธรรมะที่สมณะพระสมณะทราบเนี่ยนะว่าทำทั้งหลายอันพระสมณะทรงทราบทรงรู้ทรงพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วตรัสแล้วสอนตรัสสอนตรัสบอกตรัสแสดงแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกทําให้ตืินประกาศแล้วคือทรงทราบทรงรู้ทรงพิจารณาให้แจ่มแจ้ง ทำให้แจ้งตรัสไว้แล้วสอนตรัสบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื่นประกาศนนะีสิ่งที่พระพุทธเจ้าทราบคืออะไรทราบอะไรก็ทราบว่าสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปมบาทโดยปฏิโลมเนี่ยนะทั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะ ก็คือการรู้อนุปฏิจจสมุบาทโดยอนุโลมเนี่ยเรียกว่ารู้สมุทัยสัจการรู้ปฏิจจสมุบาทโดยปฏิโลมเรียกว่ารู้นิโรสัจนะผู้ที่มีปัญญาแทงตลอดปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเรียกว่ามัคสัจ แล้วก็ผู้ที่มีปัญญาแทงตลอดอย่างนั้นก็จะรู้ว่าอริยสัจวันนี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับแห่งทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขันนะถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมตามเป็นจริ ง, งาาก็จะแทงตลอดอริยสัจถ้าแทงตลอดอริยสัจก็จะต้องรู้จากกิเลสวันนี้กิเลสนี้ความเกิดของกิเลสนี้ความดับกิเลสนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกิเลสเนี่ยนะ ก็เขาก็จะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละทำที่ควรล ะ, จะเจริญทำที่ควรจเจริญทําให้แจ้งทำที่ควรให้ทําให้แจ้งแล้วก็จะรู้เหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะนิสรณะแห่งภาษายตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจ รู้เหตุเกิดความดับอาัศาธาอาทีนวานิสรณะแห่งอุปาทานขันท่าและมหาภูตรูปสี่ตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาท่านกล่าวว่าเมื่ออริยมรรคเนี่ยนะมีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ก็จะอย่างรู้สังขตะธรรมโดยกิจว่า เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะอาศัยปัจจัยเนี่ยทำให้เกิดขึ้นเมื่อแทงตลอดพระนิพพานอย่างนี้นะก็เป็นการดับปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งสังขตะทั้งหลายสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิษูุทั้งหลายเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเราไม่แสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ยิ่งเราแสดงธรรมมีเหตุเราไม่แสดงธรรมไม่มีเหตุ เราแสดงธรรมมีปาฏิหารเราไม่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหารดูก่อนพิสูทั้งหลายเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่แสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุไม่แสดงธรรมไม่มีเหตุแสดงธรรมมีปาฏิหารไม่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหารอยู่เธอทั้งหลายควรทำตามโอวาทควรทำอนุสสควรทำตามอนุสสาสนีดูก่อนพิสูทั้งหลาย อันหนึ่งเธอทั้งหลายควรยินดีปราโมทควรโสมนัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสวากขาตธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็เมื่อคําเป็นไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่โลกธาตุหมื่นหนึ่งก็หวั่นไหวแล้วคําเนี่ยเป็นการบรรลือีหานาฏประกาศยิ่งใหญ่มากนะหวั่นไหวถึงหมื่นโลกธาตุคิดดูนะ ว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่ว่าแสดงธรรมไม่มีเหตุแสดงธรรมมีปาฏิหารไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาร<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพูดเมื่อธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงอย่างเนี้ยควรอย่างยิ่งที่จะตามตามโอวาทควรที่จะทําตา ม, ตามคําพร่ำสอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายควรยินดีปราโมทสมนัสว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะเป็นคําสอนที่ตรัสไว้ดีจริงๆพระสงค์ก็ปฏิบัติ ด, ดีจริงๆปันโขโห่อันนี้เป็นการบรลูสีหน้าที่ที่ใหญ่มากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าธรรมเหล่าใดอันพระส ม, มาณาทราบแล้ว น, นะครับสรุปว่า ธรรมะแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นผู้พูดเท็จความสงสัยเมื่อความดีใจและเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีม า, าเพราะดีใจและเสียใจนั่นแหละทําให้โกรธทําให้พูดเท็จทําให้เกิดความสงสัยก็เมื่อบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาศิกษาสามเนี่ยนะพึงศึกษาสิกษาสามเพื่อทางแห่งยานแล้วก็ธรรมะเหล่าใดาอันพระสมณะทราบแล้วโดยเฉพาะอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะตรัสไว้แล้ว เหล่านั้นเนี่ยก็สรุปเป็นเมื่อธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างเนี้ยควรที่เราจะยินดีปราโมทโสมนัสปฏิบัติตามพระธรรมคําำคำสอนเหล่านั้นพระพุทธเนรมิตรก็ตรัสถามต่อไปว่าความดีใจและความเสียใจเนี่ยมีอะไรเป็นนิทานเมื่อไม่มีอะไรความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มี อัดนั้นใดคือความมีและความไม่มีขอพระองค์ตรัสบอกอัดนั้นว่ามีสิ่งใดเป็นนิทานแก่ข้าพระองค์เห็นไถามว่าดีใจและเสียใจนี่มีอะไรเป็น น, นิทานใช่ไหมก็คำถามว่าเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีนั่นแหละสรุปคำถามว่าความดีใจและความเสียใจนี่มีอะไรเป็นปัจจัยเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจจึงไม่มี อันนะอัดคือความมีและความไม่มีเนี่ยนะคือความดีใจและความเสียใจเนี่ยเขาบอกว่าความมีและความไม่มีแห่งความดีใจเสียใจเป็นไนความมีความเป็นความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งความดีใจและความเสียใจใดนี้ชื่อว่าความมีแห่งความมีแห่งความดีใจและเสียใจความไม่มีแห่งความดีใจและเสียใจเป็นไน ความสิ้นความเสื่อมความแตกความแตกรอบความไม่เที่ยงความหายตายและความแห่งความดีใจและเสียใจใดนี้ชื่อว่าความไม่มีแห่งความดีใจและความเสียใจเนี่ยนะเพราะนั้นสรุปคำถามว่าความดีใจและความเสียใจนี่มีอะไรเป็นนิทานคือเป็นเหตุเมื่ออะไรมีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มี อัดคือความมีและความไม่มีเนี่ยนะขอให้พระองค์ตรัสบอกว่าไอ้ความมีและความไม่มีเนี่ยมีสิ่งใดเป็นเหตุการสรุปคําถามว่าเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีนะถ้าถ้าตามสัมนวนปฏิจจจะจะเป็นแบบนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจเนี่ยมีผัสสะเป็นนิทานเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจจึงไม่มี อัดนั้นใดคือความมีและความไม่มีข้าพระองค์ขอบอกอัดนั้นว่ามีภาษะเป็นนิทานเพราะฉะนั้นเวทนามีเนี่ยเพราะมีภาษาถ้าภาษาไม่มีถ้าดับภาษะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเวทนาก็ไม่มีอธิบายต่อไปว่าความดีใจและความเสียใจนี่มีภาษะเป็นนิทานคือเป็นเหตุความว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเพราะภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั่นแหละดับไปสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะภาษา อ, อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสว์อยู่อันเกิดแต่ภาษานั้นก็ดับสงบไปก็เหมือนกับเสียงหัวเราะใช่ไหมเสียงหัวเราะเพราะขาขันเนี่ยนะเพราะมีขาขันเสียงหัวเราะก็เกิดใช่ไหมถ้าหมดคขาขันเสียงหัวเราะก็หมดไปอันนี้ฉันได้เนี่ยนะ เพราะถ้าภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมีอยู่เช่นสมมุติว่า อ, อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนะเนะพราะมีมีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขนี่มีอยู่ใช่ไหมความสุขเหล่านี้จึงเกิดถ้าภาษาเหล่านี้ดับความสุขเหล่านั้นก็ดับไป <S <S ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเพราะภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั่นแหละดับไปทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะ อาศัยภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่สเสวออยู่อันเกิดแต่ภาษานั้นก็สงบดับไป น, นะคันสีษานี้เกิดเพราะอะไรคุณมุนชูเพราะภาษาใช่ไหมถ้าภาษาเหล่านั้นดับอ น, นะถ้าพิษเป็นต้นดับทุกขเวทนาเหล่านั้นก็ก็ดับเนี่ย น, นะนนนะเพราะภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั่นแหละดับเกิดขึ้นเนี่ยนะคือ อาทุคขมสุขเวทนาเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุคขมสุขเวทนาคืออุเบกขาเนี่ยเพราะภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุคขมสุขเวทนานั่นแหละดับไปอาทุคขมสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุคขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดแต่ภาษานั้นก็ดับไปเข้าใจไหความเฉยเฉเนี่ยเกิดจากภาษาใช่ไหมถ้าภาษ์ดับไอความเฉยเฉก็ดับไปด้วย เพราะฉะนั้นความดีใจความเสียใจนี่มีภาษะเป็นนิทานความว่าความดีใจความเสียใจมีภาษะเป็นนิทานเป็นสมูทัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าเมื่อภาษะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มีความว่าเมื่อภาษะไม่มีคือไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้อยู่ความดีใจและความเสียใจจึงไม่มีคือไม่เกิด ไม่บังเกิดไม่เกิดเพราะไม่บังเกิดไม่บังเกิดเฉพาะไม่ปรากฏฉะนั้นเมื่อภาษาไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มีคําว่าไอความมีและความไม่มีเนี่ยนะภวะทิฐิและวิภวะทิฐิเนี่ยก็มีภาษาเป็นเหตุเหมือนกันมิจฉาทิฏฐินี้เกิดจากภาษานะถ้าไม่มีภาษาเนี่ยมิจฉาทิฐิก็ไม่เกิดเพื่อนสัตตทิฐิอุเฉททิฐิก็เกิดจากภาษา เพราะฉะนั้นคําว่าเราขอบอกภาษานี้เป็นนิทานแก่พระองค์เนี่ยนะเพราว่าขอบอกขอตอบบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกทําให้ตื้นฉะนั้นจึงชื่อว่าขอบอกอัดนั้นก็ภาษานี้เป็นนิทานคือภาษะเป็นนิทานสมุ ท, ทยัยปัจจัยเป็นชาติเป็นแดนเกิด